อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะความจริงต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าครั้งนี้ที่เราพบกันในรายการธรรมารับอรุณในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นการสากาัะชับหรือการสนทนาธรรมระหว่างพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุนโนพระอาจารย์ซึ่งเป็นองค์ปาถูกประจํารายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสะอาดธิตโภโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหาโศก ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา น, นีนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์แรกของเดือนม ก, กราคมพุทธศักราช2555ค่ะก็นับว่าเป็นการพบกันครั้งแรกของวันเสาร์ในปีใหม่นะค ะ, ะวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่าเดือนยี่ปีเถาะนะคะก็คิดว่าเป็นวันดีเลยค่ะเพราะว่าเราเพิ่งจะผ่านพ้นการเฉลิมฉลอง และต้อนรับปีใหม่หรือพุทธศักราช 2,555 ซึ่งเสียงก็จะบอก555นะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านเดินเชื่อมั่นว่าคงจะเหมือนตัวท่านเองที่ว่าได้รับคำอํำนวยพรจากพื้นฟูงแล้วก็คนที่เคารพนับถือว่าปีนี้เนี่ยก็คงจะมีความสุขกันเพราะว่า555นั้นก็เสียงเหมือนกับเราหัวเราะด้วยความสุขนะคะทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่เรามาพบกันในเช้าวันนี้ แล้วดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจาราย์ไพบุญอภิปุโนโพระอาจารย์ของเรานะคะแล้วก็สนทนากันในเรื่องที่ดิฉันคิดว่าหลายท่านสนใจกันทีเดียวขอนํามากราบนมัสการพระอาจาราย์ไพบุญอภิปุโนโกันก่อนดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเซมฟอนสาธุเจ้าขา้าโยมอยากจะขอหยิบยกเรื่อง<ม>ซึ่งแม้แต่ตัวโยมเองนะเจ้าขา<อ>ในช่วงของวันปีใหม่เนี่ยจะเห็นว่าปีนี้ทางรัฐบาลเอง แล้วก็ก่อนหน้านี้เหมือนกันนะเจ้าคะ่ะที่ว่าได้มีการรณรงค์แล้วก็ชักชวนให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพุทธศาสนิกชนเราเนี่ยเจ้าคะ่ะได้มาสวดมนต์ข้ามปีกันแล้วก็ในปีนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัมุมนตรีท่านนายแพทย์จุรวิทย์คนสมบูรณ์ท่านก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการทําพิธีที่ วัดสเกดนะเจ้าคะแล้วก็มีการถ่ยทอดเสงทั้งทางวิทยกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางโทรทัศน์ด้วยนะเจ้าคะก็คือเรื่องของการสวดมนต์ข้ามปีซึ่งโยมเอ ง, เองนะว่าไม่ได้ไปที่วัดแต่ก็อยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ที่ห้องพระแล้วก็เปิดวิทยุรับฟังแล้วก็สวดมนต์เช่นเดียวกัน อันนี้เราเชื่อว่าจะเป็นมงคลอย่างยิ่งโยมก็อยากจะข อ, อนำเรื่องนี้เจ้าค่ะมากราบาน้ำมัสก า, การถามาพระอาจารย์ไพบุญเนี่พุโนเจ้าค่ะว่าอาการที่เรามีความเชื่ออย่างนี้นะเจ้าคะว่าสิ่งที่เป็นสิริมงคลแทนที่จะไปเฉลิมฉลองดื่มเหล้าอะไรต่างๆน า, น า, นาเฮฮานะเจ้าคะเรากลังเปลี่ยน เปลี่ยนทัศนคติว่าโอเคนะถ้าเผื่อเราจะเข้ามาต้อนรับปีใหม่ซึ่งถือเหมือนเป็นการเริ่มชีวิตใหม่นั้นเนี่ยถ้าเป็นทําสวดมนต์ข้ามปีคืออยู่กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมงคลต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในปีใหม่อันนี้โยมอยากจะข อ, อกราบอนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนเจ้าค่ะว่าอันนี้สรงของการกระทําเช่นนี้มีอย่างไรบ้างแล้วก็องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งเคยตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไว่อย่างไรบ้างหรือไม่เวียงไรเจ้าค่ะกราบนิมนต์เจ้าค่ะคือเรื่องการสวดมนต์ก็ถ้าโดยพุทธวจนะก่อนนะ ค, คือเรื่องของใครจะบัญญัติเนี่ยก็ย ก, ย, กยกของเขาเอาไว้ก่อนนะของเราเอาที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้ก่อนนะเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าได้พูดถึงการสวดมนต์เนี่ยบางทีก็ใช้คําว่าสาธยายมนต์ก็มีหรือว่าท่องบนก็มีหรือคำว่าอ่าสวดมนต์ก็มีคําว่าสาธยายก็ดีคําว่าท่องบน ตรงนี้เป็นคำที่ใช้แทนคำว่าสวดได้ทีนี้มีอยู่สูตรหนึ่งที่พระเจ้าพูดถึงอา น, นิสงส์ของการสาธยายมนนะที่ว่าคุณสวดสวดไปในสวดไปเพื่ออะไรบา ง, บาง ค, คนก็สวดเหมือนนกแก้วนกขุนทองความหมายก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำโอเครู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายก็ยกไว้ก่อนแตนะ่ทีนี้มาฟังที่พระเจ้าบอกเนี่ยคือสวดมนเนี่ยนะสาธยายมนเนี่ยเพื่อที่จะข้อที่1ก่อนนะคือเพื่อให้เกิดจิตของเราเนี่ยมีปีติมีสุข นะคือสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยพอเราเอามาท่องบน่นท่องบน่นใช่มมาสัญญทยายาเนี่ยคคก็จะเกิดสิ่งที่เป็นมีปีติมีสุขนะพอมีปีติมีสุขแล้วเนี่ยเราก็จะทำให้จิตเนี่ยตั้งมั่นได้จิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็ใช้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นบาทฐานในการก้าวลงสู่วิมุตได้คคนะอันนี้จะเป็นหนึ่งในเหตุแปดอย่างที่ทำให้เป็นปัญญาที่เบื้องต้นนะที่จะต้องมีในการที่จะชำระ ก, กิเลสได้ ทำให้หลายๆคนไปเข้าใจว่าสวดมนต์เนี่ยจะทําให้ชั้นพ้นทุกได้จริงๆสิ่งที่จะให้พ้นทุกได้ถ้าเราดูตามลําดับนะคือจิตที่เป็นสมาธิน ะ, ะเพราะจิตเอาใหม่ก่อนคือความเห็นตามที่เป็นจริงคุณจะเห็นตามที่เป็นจริงได้เนี่ยจิตคุณต้องมีสมาธิจิตคุณจะมีสมาธิได้คุณต้องมีปีติสุขจิตคุณจะมีปีติสุขคุณาอาศัยเหตุปัจจัยอะไรได้บ้างหนึ่งในอย่างนั้นคือการสวดมนต์ อย่างที่ 2, 2> ก็อาจจะพูดถึงการที่เรามีศีลพอเรามีศีลแล้วจะมีความไม่ร้อนใจมีความไม่ร้อนใจเราก็จะมีปีติสุขอันนี้ก็จะทําให้จิตเราตั้งมั่นได้ในะอย่างที่สถ้าคุณจะอาศัยดนตรีหรือว่าฟังพระเทศนะฟังพระเทศที่เราเข้าใจอย่างเงี้ยการเข้าใจตรงนี้เป็นความร่าเริงในธรรมเป็นปีติสุขทําให้จิตเราตั้งมัน่นบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นมันมีหลายเหตุปัจจัยไงคุณเตือนใจที่ทําให้เราอ่าบรรลุธรรมได้โดยอาศัยความที่จิตเราตั้งมัน่น การสวดมนต์อาจจะเป็นเหตุหนึ่งในเหตุนั้นได้นะทีนี้สวดมนต์แบบไหนล่ะที่จะทำให้เรามีจิตปิติสุขเกิดขึ้นมาได้พุทธเจ้าก็เคยบอกว่าเวลาที่เราสวดเนี่ยถ้าจิตคุณมีนิวรณ์มากฟุ้งซ่านคิดนน่นนีนะ่คุณจะจำสิ่งที่คุณท่องเนี่ยไม่ไดนะ้แต่ถ้าจิตคุณตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านทำโดยละเอียดละออ อันนี้จะทําให้คุณท่องจําสิ่งที่คุณกําลังท่องอยู่ได้คื อ, ค, อคือการสวดมนต์ในคุณเดืนใจคือเราไม่ใช่เป็นแบบนกแก้วนกขุนทองนะถ้าไม่งั้นนกแก้วนกขุนทองเวลาเขาพูดตามเราจะไม่เขาไม่รู้ทำเสถียรอย่างนี้นะแต่ว่าสวดเนี่ยคือเพื่อที่จะเข้าใจความหมายจําข้อมูลนั้นได้ทําให้จิตเรามีปีติสุขเกิดขึ้นนี่คือประเด็นแล้วประการที่สองของการสวดมนต์สาธยายมนต์เนี่ยก็คือเพื่อที่จ ะ, ะทําให้เราจําคําของพระพุทธเจ้าได้ เพราะว่าคําของพิชชาเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหมายความว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ว่าสิ่งไหนจะเป็นยังไงอย่างสมมติพระิชชาบอกว่าอาถ้าเธอมีความรู้สึกนะเธอจะมีเธอมีสัมผัสเนี่ยเธอจะมีความรู้สึกคือผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะไปอยู่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อยู่เมืองร้อนอยู่ต่างประเทศไปอินเดียอยู่เมืองไทยนะเป็นคนขาวคนดําเป็นคนที่ไหนก็จะมีความอย่างนี้เหมือนกัน จึงเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไ ง, งมันเกิดทุกที่หรือว่าจริงเจริงโดยตลอดนะคะเจหรือที่คําบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาคำนี้ก็เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนศักดิ์สิทธิ์ตรงที่ว่ามันเป็นจริงตลอดไปดูเลยคุณไปดูตั้งแต่ใต้ทะเลจนไปถึงอวกาศดาวเทียมดวงไหนที่มันมีแล้วมันไม่พังบ้างมันไม่มีเลยเจ้าค่ะต่อให้เขาใช้วัสดุอันไหนที่อยู่เป็นร้อยปี ก็ถึงเวลาร้อยปีนั้นเขาก็ยังพังอยู่ดีเออมันก็จริงของพระพุทธเจ้าเนาะครานี้จึงเป็นคําที่ศักดิ์สิทธิ์ไงเพราะฉะนั้นพอเรามาท่องตรงนี้แล้วเราเข้าใจเราจําได้ปุ๊บเนี่ยน้อมเข้ามาสู่ตัวแล้วเราจะเกิดปีติสุขปีติสุขตรงเนี้คือความรา่าเริงในธรรมบางคนไปสวดมนต์เนี่ยฟังธรรมะคือเขาประเด็นเนี่ยคืออาตมาคิดว่างี้เขาต้องการเอาเสียงสวดมนต์เนี่ยมาแข่งกับเสียงดนตรีเสียงพลุตอน ข้ามวันสามสิเอ็ดเป็นวันที่หนึ่งนะก็ะเลยให้ให้มีเสียงสวดมนต์ก็ยังจะดีกว่าเสียงดนตรีเสียงพลุ น, น ะ, ะอย่างบางคนที่เคยมาเล่าให้อาตมาฟังช่วงที่ข้ามปีเก่าเป็นปีใหม่เนี่ยเขาพยายามจะนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านใช่ไหมแต่ปรากฏสู้เสียงดนตรีไม่ไหวเสียงพลุไม่ไหวนอนดีกว่าดังนั้นเขาก็คงจะสวดมนต์ก็คงจะดีกว่าในกรณีนี้นะทีนี้ว่าการสวดมนต์ นอกจากการสวดมนต์จะทําให้เป็นบริการของจิตนะที่จะทําให้เรามีปีติสุขมีจิตตั้งมั่นเห็นธรรมะได้เนี่ยก็ยังเป็นบริการของจิตที่จะละความาพยาบาทผูกเวรได้อย่างบางคนมีความโกรธอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมงานโหมันมันทำกันไม่ดีกับเราเราจะโกรธข้ามปีเขาก็อย่าอย่ากันนั้นเลยเราไปสวดมนต์ดีกว่าเออสวดมนต์ตรงนี้จะทําให้จิตของคุณเนี่ยเป็นบริการที่จะช่วยให้จิตของเราเนี่ย ลคลายความผูกเวรกับคนอื่นไดน้หนึ่งในบริการห้าอย่างก็สามารถทําไดอ้อย่างไรก็ตามต้องเน้นตรงนี้ว่าการสวดมนต์เนี่ยนะเพื่อที่จะท่องจําคําของพระพุทธเจ้าได้น ะ, ะเพราะฉะนั้นถ้าสวดแล้วอย่างน้อยคุณจะต้องรู้ความหมายที่พูดที่พูดเนี่ยคืออะไรเข้าใจไหมอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองแล้วที่คุณสวดสวดอยู่เนี่ยเป็นคําพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าถ้าเราสวดคําที่เป็นของพระพุทธเจ้าโดยตรง แล้วก็ท่องจาเพื่อการท่องจำเข้าใจความหมายได้อันนี้ดีมากๆตามที่พระอาจารย์ไพบูลได้เมตตาสักกชามานะเจ้าคะโยมจับประเด็นได้อยู่ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะสาธยายมูลหรือสวดมนต์หรือท่องคาถา ตามคําสอนหรือพุทธวจนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นจริงในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะเจ้าค่ะแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปอย่างไรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นเสมอยมสังเกตว่าจะมีอยู่จุดหนึ่งนะเจ้าค่ะที่คิดว่าอยากจะมาเน้นย้ำแล้วก็กราบขอเรียนถามพระอาจารย์ไพภูอภิพุนโนเจ้าค่ะว่าถ้าหากว่าเราไปร่วม ในที่สวดมนต์นะเจ้าคะอาจจะเป็นสวดมนต์ต่างๆตามวัดหรือว่าแม้แต่สวดมนต์ข้ามปีอย่างที่เราได้หยิบยกขึ้นมาสนทนากันในรายการธรรมารับารุณเช้าวันนี้นะเจ้าคะ<ช>สิ่งสําคัญโยมคิดว่าที่พระอาจารย์เน้นย้ําก็คือเรื่องของการที่จ ะ, ะมีจิตตั้งมั่น<ช>แล้วก็มีความเข้าใจในมนต์ที่ได้สวดนั้นคือรู้ความหมายเจ้าคะ่ะ<ช>อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีจิตตั้งมั่น ที่จะทําอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าปากก็ท่องไปหรือว่าสวดมนต์ตามไปแต่ว่าจิตนี่ฟุ้งไปเรื่องอื่นอย่างนี้เราก็จะไม่ได้อา น, นิสงส์หรือว่าจะไม่เกิดความปิติจะไม่รู้ในธรรมอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องประเด็นตรงนี้มันเป็นเรื่องสําคัญคือบางคนเนี่ยไปสวดมนต์หมู่ใหญ่ๆเนี่ยแล้วปรากฏมีความคิดว่าโอ้ยฉันเปิดหนังสือก็ไม่ทนันสวดก็ไม่ได้จังหวะกับเขาฉันจะได้บาปไหมเนี่ย เนี่ยมีความกังวลตรงนี้เนี่ยจิตคุณจะตั้งมั่นไม่ได้จุ๊ค่ะ ม, มันก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ที่คุณไปทำกันแต่ถ้าคุณมีการซ้อมมาอย่างดีจำได้ด้วยนะสาธยายไปเนี่ยด้วยจิตที่เป็นสมาธิแม่ น, นั้นจะ น, นิสัยมากจุ๊ค่ะจค่ะอย่างที่โยมปฏิบัตินะจุ๊ค่ะอย่างตอนที่ได้ไปกับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตนะเจ้าค่ะหรือปปชเนี่ยเ<ด>จ้าค่ะหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ป้องกันและป ร, บราบปรามการทุจริตขั้นสูงรุ่นที่สองซึ่งได้มีบุญอย่างยิ่งนะเจ้าค่ะที่ได้ไป ร่วมในในการที่จะกราบนับศักสการอย่างสังเวชนิสสารทั้งสี่แห่งรว ม, มทั้งคณะนักศึกษาเจ้าคะ่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ข้าราชการของทางคณะกรรมการปปชเจ้าคะ่ะก็ได้บวชที่จะถวายเป็นพระชจกุศลเนี่ยถึงประมาณเกือบห้าิรูปนะเจ้าคะ่ะ<ม>ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยมคิดว่าเป็นบุญอย่างยิ่งแล้วก็ถือโอกาสนี้เนี่ย เรียกว่านำบุญมาฝากท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านรวมทั้งกาบถวายพระอาจารย์ภับุญอพิพุโนและฤทธิ์คุณหลวงพ่อดรสัอาทิศพัสรวมทั้งคุณแม่ชีสุภัทราสุวรรณสิงห์ด้วยนะเจ้าคะ่ะรวมทั้งทุกๆองค์เลยอันนิยมะจะใช้วิธีนี้เจ้าคะ่ะเวลาไปสวดตามสังเวชนิยสถานต่างๆนั้นเนี่ยถ้าบทใดที่โยมไม่สามารถสวดได้เองนะเจ้าคะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีหนังสือให้เราดูแล้วเราตามไม่ทันเนี่ย โยมก็จะใช้วิธีที่จะนิ่งเข้าสมาธิแล้วจิตเนี่ยก็จะเหมือนกับท่องตามไปอ่ะเจ้าค่ะ อ, อย่างที่พอได้ยินเสียงอะไรที่เป็นคำสวดมนต์เนี่ยโยมก็จิตก็จะตามไปเรื่อยๆอเหมือนกรเราสวดได้อ่ะเจ้าค่ะแต่ว่าตามตามไปอย่างนั้นเนี่ยวิธีนี้ไม่ทราบว่าถ้าเบื่ อ, อนำมาใช้นี่จะจะได้ผลแล้วก็ได้อ น, นิสงไหมหรือไม่เพียงไรเจ้าค่ะขออุนะครับกราบนรมัสการถามเพื่อว่า อาจจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านเจ้าค่ะที่ที่ได้ปฏิบัติเหมือนโยมอย่างเนี้เจ้าค่ะคือหมายความว่าคุณเตือนใจได้ส่งเสียงเปล่งเสียงออกมาไหมไม่ได้เปล่งเจ้าค่ะสำหรับอันไหนที่เราสวดได้เราจะเปล่งเจ้าค่ะแต่ถ้าอันไหนที่เราเราไม่ไม่ไม่ทราบแล้วก็สวดไม่เป็นเราก็ใช้วิธีที่จะอ่าสวดอยู่ในใจเจ้าค่ะแต่ว่าเป็นการสวดตามไปอ่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็คือการที่เราเหมือนกับเราไปนั่งสมาธิในกลุ่มคนที่เขาสวดมนต์กัน ค่การนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนั่งสมาธิใช่ไหมว่าคือคือแทนที่เราจะไปอยู่ในห้องพระหรือว่าในหมูวัดที่เขาเงียบๆกันใช่ไหมเราก็เป็นดันไปนั่งสมาธิในที่ที่เขาสวดมนต์กันก็ไม่มีปัญหาอะไรเจ้าค่ะแต่ว่าจิตเรานี่จะตามคํามนต์นั้นไปนะเจ้าค่ะคือตามเหมือนกับว่าเราสวดตามไปด้วยแต่ว่าพอเราสวดในจิตเนี่ยมันเหมือนกับตามไปสามารถสวดได้นะเจ้าค่ะแต่เราไม่สามารถเจ้าค่ะเหมือนกับเวลาที่คุณเดนใจไปฟังพระเทศอ่ะ อย่างพระเทศอยู่เป็นภาษาไทยเลยนะหรือว่าาคนอ่านพุทธวจนะภาษาไทยให้ฟังแล้วคุณตื่นใจก็นั่งสมาธิฟังไปด้วยใกล้ครูนต่างอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลเหมือนกันเหมือนกันเป็นการฟังธรรมะไงแต่เพื่อเอิญคําที่ส่วดเนี่ยเป็นภาษาบาลีที่เราไม่เข้าใจเจ้าค่ะเจ้าค่ะพอเป็นภาษาบาลีที่เราไม่เข้าใจเราดันจะไปคิดว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหเหนือโลกเป็นแบบอะไรต่างๆจริงๆแล้วมันเหมือนกับเราพูดภาษาไทยนี่แหละแต่เป็นคำบาปุตตะเจ้า เราสมมติมีคนมาอ่านพุทธวจนะที่เป็นภาษาไทยให้เราฟังเราก็ฟังแต่เราท่องตามไม่ได้หรอกเพราะเราไม่เค ย, ค ช, เคยชินกับภาษาหรือรูปแบบคำพูดใช่ไหมเ้าก็ฟังไปเราก็ใคร่ควนตามไปจิตเราก็สงบลงไปนิ่งลงไปนั่นนหะถูกต้องอืาจ้ค่ะคือถูกหรือผิดเนี่ยนะคุณเตใจเราวัดกันที่จิตไง ถ้าจิตของเราเนี่ยตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่คิดด่าคนนู้นไม่คิดเรื่องที่เป็นอกุศลเธอเรียกฉันมาทําไมฉันก็ท่องไม่ได้ทํำอะงแต่เราไม่คิดเรื่องพวกนี้เลยนะใจเราก็อนุโมทนากับทุกคนเลยโอ้ทุกคนมาทําความดีน่าดีแล้วเออฉันก็จิตของฉันเป็นสมาธิอย่างนี้อันนั้นน่ะดีเจ้าค่ะอ่าแล้วกออ็ที่จิตตั้งมั่นของเรานะเจ้าค่ะใช่ใชถูกต้องแล้วก็ถ้าสมมตว่าเราเนี่ยนะอ่าส่วนได้ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอก เราก็อ่านตามพิจารณาตามไคล์ครวนตามอย่างเงี้ยจิตเราก็คล้อยไปตามคําพูดนั้นๆยิ่ง ย, งยงิโดยเฉพาะคาพูดที่ของพรุทธเจ้าเนี่ยมีแต่เรื่องที่เป็นกุศลใช่ไหมเรามั่นใจได้เลยว่าพระพุทธเจ้าจะไม่สาบแช่งใครมั่นใจได้เลยว่าพระพุทธเจ้าจะไม่พูดเรื่องที่เป็นอกุศลใช่ไหมพอเรามีนนความมั่นใจอย่างงี้น ม, มนอะไรคําพูดอะไรแม้บางคนจะไปเข้าใจคําว่ามนเนี่ยคือเป็นเรื่องอะไรที่มันเลื่อนหรืออลังการหรือว่าเข้าใจได้ยากแต่ก็คือแค่คําพูดพระพุทธเจ้าที่เขาเป็นภาษาบาลี ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เหมือนกับคําพูดเราที่อย่างนี้แหละที่เราเข้าใจกันได้อนะหลายคนก็จะไปสับสนอีกว่าเอสวดอย่างไรใช้เสียงแบบไหนสวดตอนเช้าหรือสวดตอนเย็นดีสวดละจําไม่ค่อยได้ต้องทํายังไงสวดเป็นหมู่หรือสวดคนเดียวสวดก่อนนั่งสมาธิหรือหลังดีเอาบทไหนดีสวดแต่ละครั้งใช้เวลาาเท่าไหร่ชอบสวดมนต์แต่ไม่ชอบนั่งสมาธิทำอย่างไรอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยจึงเป็นเรื่องที่เขาจะกังวลมากเกินไป ถ้า ค, คุณกังวลอย่างนั้นแล้วจิตคุณไม่เป็นสมาธินะอย่าทำแล้วควรจะใช้กฎรลบายอื่นแต่ทีน่นี้ที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยประโยชน์ของการสวดมนต์ที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้มีหลายๆวาระด้วยการธรรมาก็รวบรวมมาน ะ, ะ, ะก็จะถ้าใครไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com เนี่ยจะมีเรื่องตรงนี้อยู่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเป็นจะเป็นหนึ่งในเหตุ ป, ปัจจัยที่ทาให้พระสัตธรรมเนี่ยตั้งอยู่ได้นะ นึในเหตุปัจจัยที่ทําให้พระสัทธารรมตั้งอยู่ได้นานคือถ้าใครสามารถจําคําพูดของพระพุทธาแล้วส่งต่อบอกต่อได้อย่างบทสวดธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นภาษาบาลีที่สวดกันมาเป็นพันๆปีแล้วแล้วก็คงความเหมือนเดิมไว้ตลอดนะแปลเป็นไทยบงคนจะใช้สำนวนนั้นสำนวนนี้บ้างแต่บาลีก็ยังจะเหมือนเดิมอันนี้ดีมากอันที่สองเนี่ยเป็นธรรมที่เครื่องให้ถึงวิมุติได้ ที่พูดไปเมื่อตอนต้นรายการว่าถ้าคุณสวดแล้วนะจิตคุณมีปีติมีปราโมชจิตตั้งมั่นเป็นสมาธินั่นแหละก้าวลงสุนิพานได้เลยดีมากหรืออันที่3าเนี่ยจะเป็นอาหารของความเป็นผู้รู้มากคนที่เขาเรียนเก่งๆคุณเตนใจเขาจะสามารถท่องได้จำได้เป็นประจำเพราะฉะนั้นการท่องได้การจำได้ของเขานั่นแหละคือการสวดมนต์คือถ้าคุณเอามาสวดเอามาท่องเนี่ยคุณจะจาได้ไง แล้วอันที่สี่เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของความเป็นบริษัทที่เลิศคือหมายความว่าบริษัทที่เลิศนี่นะเขาก็จะเอาคําของพระเจ้าเนี่ยมาท่องบนเพื่อให้จําได้อยู่เป็นประจําโดยรูปแบบที่เป็นภาษาไหนก็ได้ละไม่รู้ละคุณต้องภาษาไหนแล้วคุณจําได้คุณเข้าใจคุณก็ต้องภาษานั้นก็แล้วกันแล้วเรื่องของมนคําพูดของพระเจ้าเนี่ยอถ้าเราเอามาท่องเอามาทําความเข้าใจเอามาทบทวนเอามาจําให้ได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมลทินถ้าบางคนบางวัดนะคุณเตือนใจเอ้ย เขาเอาพระไตรปิฎกเนี่ยเก็บไว้ในตู้แล้วก็ล็อกอย่างดีเลยนะห้ามใครแตะต้องเจ้าค่ะเออไม่ได้รับประโยชน์จากพระไตรปิฎกก็มีนะเจ้าค่ะน่าจะเอามาเผยแพร่ให้โยมได้ได้ฟังแล้วก็เข้าใจกันจะดีกว่านะเจ้าค่ะเป็นธรรมทานอันนี้ก็จะทำให้เกิดความไม่เป็นมลทินถ้าเราเอามาใช้นะจ้ค่ะแล้วก็อย่างที่หกเนี่ยต่เป็นบริการของจิตเพื่อไม่ให้มีความเบียดเบียน ไม่มีการผูกเวร น, นะอย่างถ้าใครจะมาโกรธข้ามปีอย่างเงี้ยโ อ, อ้คุณอย่าไปโกรธเขาเลยเพื่อนบ้านก็ตามคนร่วมงานก็ตามลูกก็ตามผัวก็ตามมีก็ตามเนี่ยปล่อยวางซะปล่อวางซะปีใหม่แล้วคิดใหม่อะไรที่ไม่ดีปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไม่ได้ใช่ไหมมาท่องบนคําพูดเจ้าซะนะให้ตัวเองจําให้ได้นะจะได้ปล่อยวางได้แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่อันที่7เนี่ยเป็นเรื่องที่เคยกล่าวกับท่านพระหมหาโมคลานะเอาไว้ตอนนั้นท่านพระหมหาโมคลานะเนี่ยกำลังนั่งสมาธิเพื่อจะ บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตอนนั้นยังไม่เป็นพระอาหารหันต์นะนะนั่งสมาธิแล้วก็โง่ไปเงกมาเอ็นหน้าเอ็นหลังจะหลับให้ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยให้อุบายข้อหนึ่งเอาไว้นะครับว่าเป็นวิธีในการแก้ง่วงได้ถ้าคุณเอาคําพูดที่ตัวเองจําได้เนี่ยมาสาธยายท่องบนนะก็จะทําให้เป็นเหตุละความง่วงได้ก็รู้สึกจะเป็นข้อที่สองนี่ละมะั้งจุกค่ะ <Okay. S 1> อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการสวดมนต์จริงๆทีนี้สวดมนต์เนี่ยมันมีข้อที่จะระวังอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครสาธยายมนต์นะจนเป็นเหตุให้วันคืนล่วงไปโดยไม่ประกอบความสงบในใจและเลยการหลีกเร้นเนี่ยชื่อว่ายัางทําไม่ถูกยังไม่ยังไม่เป็นผู้ที่อยู่ด้วยธรรมคือหมายความว่าสวดตัวเองสวดมนต์ท่องบนแต่ว่าไม่เคยได้รับความสงบทางใจไม่ได้เอาเวลาไปนั่งสมาธิภาวนาบ้างเลยอันนี้ชื่อว่าทําผิดปฏิบัติผิด ยังไม่ได้ ช, ชื่อว่าผู้อยู่ด้วยธรรมจริงๆวิธีแก้ก็คือว่าอย่าเอาแต่สาธยายจนไม่มีเวลาทําความเพียรทางจิตนะให้อาศัยโคนไม้บ้างเรือนบ้างบ้างทําความเพียรไม่ประมาทนะด้วยการทําความสงบในใจและด้วยการหลีกเล่นด้วยก็จะแก้ปัญหานี้ได้เจค่ะก็เรียกว่านอกจากการสาธยายมน์ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิและทําความเข้าใจในความหมายสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรง สั่งสอนแล้วก็ทรงตรัสไว้แล้วก็ยังจำเป็นที่จะต้องอฝึกเรียกว่าปฏิบัติบูชาถวายปรุงท่านด้วยการเข้าสมาธิแล้วก็ทำจิตให้ว่างเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆหมายถึงว่าสังขารอะไรต่างๆของเราตามที่พระองค์ได้ ได้ส่งสั่งสอ <shelf> นไว้ด้วยอันนั้นก็จะเป็นทางที่จะทําให้เราไปาไปถึงนิพพานได้ถูกไหมเจ้าคะเมื่อสมัย <จะ S 2> ก่อนะนะตอนก่อนที่อาตมาจะมอมปวดเป็นตัวใจอาตมาเข้าใจมีความเข้าใจว่าคิดว่าหลายผู้ท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะเข้าใจอย่างนี้ว่ามนเนี่ย movement, ไอเราคิดว่าเป็นสิ่งที่แบบทําปากขระมุกกระมีบงงงงงงแล้วก็ปะคว่งออกไปเนี่ยจะเกิดเป็นสิ่งนั้นตู้ออกมานี่ตู้ออกมาหายตัวได้อะไรตัวได้อย่างเงี้ยนะซึ่งไม่เป็นความจริงนะเจ้าคะซึ่งอันนั้นเราไม่รู้ แต่บางคนอาจจะทําอย่างน<ด>ี้คือคบางคนไปดูหนังเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์อย่างแฮร์รี่พอตเตอร์สอย่างเงี้ยนะหรือว่าหนังที่เขามีคาถาอาคมอะไรพวกเนี้ยบางคนก็จะเข้าใจว่าสวดมนต์เนี่ยคือการที่แบบเรียนรู้คาถาอาคมพวกนั้นไม่ใช่นะความหมายของการสวดมนต์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการท่องบนเพื่อให้จําให้ได้น ะ, ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกคาถาอาคมอะไรพวกนั้นเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องคาถาอาคมคุณตาปากขมุขมิบ เอาเข้าสารเสษหยิบข้าสารหรือหยิบดินมาเนี่ยแล้วก็ปักขมุความิบใส่ผูก้กุ้ยงออกไปายกลายเป็นตัวนั้นตัวนี้ออกมาเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าค่ะอันนั้นเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเป็นทางอื่นละไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่องค์พ <ผม S 1> ระ ส, ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้แล้วก็สอนไว้นะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะ พูดถึงเรื่องของการสวดมนต์ข้ามปีนะเจ้าคะ่ะมีอีกอันนึงที่โยมอยากจะขอหยิบยกขึ้นมาสากาัรฉาหรือว่าได้ระเยนสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไับุตอภิปุโนเจ้าคะ่ะก็จะมีอีกอันนึงที่พุทธศาสนิกชนเราก็มักจะพูดกันนะเจ้าคะ่ะว่าต้องพยายามในหนึ่งวันเนี่ยก็ให้ต้องไปไหว้พระ9วัดะนะเจ้าคะ่ะ ถ้าเบิกใครทำได้นี่ก็จะเกิดสิริมงคลอย่างยิ่งเลยแล้วก็ทำให้เรามีแต่ความก้าวหน้าคิดอะไรก็สมความปรารถนาเจ้าค่ะในประเด็นนี้ไม่ทราบว่าองค์พระสามมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้บ้างไหมเจ้าค่ะแล้วก็ในความคิดของพระอาจารย์ไปบุญนะพิพุนโนคิดว่ามีเรียกว่ามีเกิดพระพุทธคุณหรือว่ามีอย่างไรบ้างเจ้าค่ะในเรื่องนี้เจ้าก่อนก่อนที่จะไปเรื่องอสวด ไปไหว้พระเกวัดนี่ขอกลับไปที่เรื่องสูตรมนิดหนึน่งนะเป็นการสรุปจบตรงนี้ว่าพระุทธเจ้ า, าอ บ, บอกว่าบางคนเนี่ยสาธยายมนไปเนี่ยแล้วคิดว่าจะเป็นผู้ที่เป็นเขรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติในการเพียรเผากิเลสแล้วเนี่ยยังไม่ใช่พระพุทธเจ้า บ, บอกว่าการสาธยายมนอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็คิดว่าตัวเองจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพียรเพื่ออาการแห่งการสาธยายมนแล้วเนี่ยยังไม่ใช่แค่อาการสาธยายมนเนี่ยไม่ได้ทําให้จิตของเราเนี่ยจะหลุดพ้นจากกิเลสได้ แต่การสาธยายมนแล้วทำให้มีจิตปีติสุขมีสมาธิละกิเลสได้ตรงนี้คือได้ผลของการสาธยายมนจริงนะทีะทนี้ถัดไปประเด็นที่คุณตนใจพูดถึงการไปไหว้พระเก้าวัดใช่ไหมเจ้าค่ะก็โดยพุทธวชนะเนี่ยพระเจ้าก็ให้เป็นผู้หลีกเร้นแล้วก็ถ้าจะไปไหว้พระไหว้อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไปด้วยจิตที่มีมีสมาธนะิก็สามารถทาได้คุณจะไปอยู่ที่ไหน เวลาเราจะไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยพระปรีชาให้เป็นผู้ที่เที่ยวไปในที่เที่ยวแห่งบีดาของตนนะแม้ว่าคุณจะไปไหนเนี่ยถ้าคุณอยู่ในไปไม่เกินสี่สถานที่นี้นะโอเคถ้าตีความนะถ้าพูดกันง่ายๆสีสถานที่นี้คืออะไรถ้าคุณไม่เที่ยวไปในกายคุณก็เที่ยวไปในเวทนาไม่เที่ยวไปในเวทนาคุณก็เที่ยวไปในจิตถ้าคุณไม่เที่ยวไปในจิตคุณก็เที่ยวไปในธรรมไปในกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานสี่ที่นี้ไม่ว่าคุณไปไหน คุณไปไม่เกินสีที่นี้คุณโอเคไปได้ใะหมายความว่าถ้าคุณจะกลับบ้านคุณมีจิตจิตของคุณอยู่ในกายไม่มีปัญหาคุณจะไปบ้านใครก็ได้ถ้าคุณไปวัดจิตของคุณอยู่ในกายเวญนาจิตหรือธํามสอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งคุณไปวัดไหนก็ได้ต่อให้ไปมันทั้งหมด12จังหวัดจังหวัดละ9วัดเป็นร้อยแวัดเนี่ยคุณไปเลยนะแล้วก็ถ้าจิตคุณเป็นอย่างนี้แหมดีมากแต่แต่นะถ้าจิตคุณไม่ได้เป็นอย่างนี้ เช่นไปถึงแล้วก็ด่ากันว่าการเธอทําไมไม่เอาถูกมาเครื่องเช่นไหวก็มาแด่เอามาโอ้ยไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์อ่าแล้วก็พระพุทธเจ้าเคยบอกนะว่าการที่เราจะไปไหนเสพคบกับใครเนี่ยถ้าไปแล้วในะกิเลส ท, ที่ยังละไม่ได้ก็ละไม่ได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นนะปัจใจสี่ก็หาไม่ดีนะอย่าไปเลยคือถ้ า, าถ้ารู้ข้อมูลนี้เวลาไหนให้รีบเพนทันทีแต่ถ้า แต่ถ้าเราไปแล้วจิต ท, ที่เรายังละกิเลสไม่ได้ก็ละได้อาสวะที่ยังละไม่ได้ก็ละได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นนะไปที่ไหนแล้วเป็นอย่างนี้ให้อยู่ที่นั่นเลยอย่า ก, กลับมาให้อยู่ตลอดไปสมมติว่าไปาวัดไหนแล้วปรากฏว่าเออวัดนี้ดีนะเรานั่งสมาธิแล้วร่มรื่นจิตเราตั้งมั่นเป็นสมาธิคุณไม่ต้องกลับบ้านหรอกคุณอยู่วันนั้นไปเลยอืมหรืออยู่ที่นั่นไปเลยนะเจ้าค่ะเหมือนอย่างที่พระอาจารย์ไพบูลได้ไปอยู่วัดป่าดอนไหโศกนะเจ้าค่ะ อันนี้เพราะเหตุนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะว่าอยู่ที่วัดป่าดอนไห่โศกแล้วพระอาจารย์รู้สึกว่าเป็นที่ที่สงบแล้วก็สามารถเรียนรู้อะไรได้เยอะเลยเจ้าค่ะคือว่ า, เ, า, าเราก็ตัดสินใจด้วยเหตุที่ว่าสองอย่างนี้แหล ะ, ะว่าจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นได้อสะวาที่ยังระไม่ได้ก็ละได้้วก็ให้อยู่ไปเรื่อยๆเจ <นะ S 2> ้าค่ะอันนี้ก็เป็นการดาเนิน ชีวิตหรือว่าดําเนินรอยตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ทุกอย่างเลยนะเจ้าค่ะใช่ใเพราะนั้นถ้าท่านาผู้ฟังเนี่ยไปที่ไหนเขาจะชวนไปไหนก็แล้วแต่ล่ะถ้าจิตของเราไม่ออกจากสถาสี่สถานที่นี้นะสีที่นี้ก็คือกลายเว็นาจิตตามโอเคคุณไปได้นะหรือว่าถ้าจิตของคุณเนี่ยมีจิตเป็นจิตที่ตั้งมั่นไม่ไปสแสวงหากิเลนละอะไรต่างาคุณไปได้เจ้าค่ะและที่ใดวัดใดก็ตามที่เรา ไปแล้วรู้สึกว่าสบายใจจิตตั้งมั่นได้มุ่งอยู่ในธรรมได้อย่างแท้จริงก็ให้ดำเนินรอยตามนั้นหรือว่าอยู่ที่วัดนั้นใช่ไหมเจ้าคะเราก็จะมีความสุขสงบแล้วก็สามารถที่จ ะ, ะดำเนินรอยตามไปก็คือปฏิบัติบูชาถวายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าจนกระทั่งเรา อาจจะถึงอิพานในสิ่งที่พระองค์ทรงชี้ไว้ในไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าหรือว่าในวันหนึ่งบันไดในใ น, ในชีวิตของเราใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่ใ่ถูกต้องถูกต้องเจ้าคะ่ะก็ท่านผู้ฟังคะดิฉันได้เรียนสนทนาหรื GPA, อสาระในรายการธรรมาราบรุนกับพระอาจารย์พิบูลอวิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ของเรานะเจ้าคะ่ะแล้วก็ได้พูดคุยในเรื่องที่เรื่องของการสวดมนต์ข้ามปีก็ตาม หรือว่าเรื่องของการที่เราจ ะ, ะมีความเชื่อว่าต้องสวดมนต์ก้าววัดภายใน1วันก็จะถือว่าเป็นมงคลอย่างสูงสุดก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นคงจะได้รับคําตอบแล้วละคะ่ะว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรานั้นคืออะไรนะคะสําหรับในเช้าวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วะคะ่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่8ดมกราคมเป็นวันธรรมสวรรคหรือวันพระแล้วะคะ่ะ พรุ่งนี้เช้าเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเช้า ว, วันพรุ่งนี้นะคะเรามากราบลาแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุตอภิปูโนพร้อมกันนะคะกราบน้ัสการลาแล้วก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเจ้าขะพระอาจารย์เจ้าขาเตมฟานสาธุเจ้าค่ะ